ยึดเหนี่ยวหรือยึดเหนี่ยวใจบุคคลหรือประสานชุมชนไว้ให้สามัคคีก็หลักหลักการส่งเคราะห์เนี่ยเครือข่าสังฆาเหตุผลที่เราไปอยู่ณที่ไหนแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปนั่งในใจคนอื่นได้เพราะเราขาดธรรมะคนนี้แหละเราไปอยู่บางทีอยู่ในครอบครัวตั้งนานเนี่ยเราไม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของสามีของลูกของอะรเลยเนี่ย เพอร์เเขาเบื่อหน่ายเลยเนี่ยเพราะเราขาดธรรมะพวกนี้หรือบางคนก็ปฏิบัติไม่ครบบางคนได้แค่ทานเนี่ยแต่ขาดปิยวาจาให้เก่งจ้างแต่าปากขี่บ่นจุกจิกจู้จีจ้อะไรเงี้ยเนี้ยมันก็เลยขาดสเสน่ห์ข้อนี้ไปมันไม่มีตัวเชื่อมภาษาเนี่ยครบภาษาปิยวาจาเนี่ยภาษาพระเขาเรียกเปยวัชชะ ปะยาวัตชะก็คือวาจาเป็นที่รักวาจาที่ดูดดื่มน้ำใจหรือมีวาจาที่ซาบซึ้งใจเนี่ยกล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามคัคคีให้เกิดไมตรีรักใครนับถือเรามีไม่วาจาแบบนี้คือพูดปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าคือเขาโกรธปุ๊บพูดแล้วก็าหายโกรธเลยหรือเวาลาเขาโกรธเขาเครียดอยู่ยิ่งพูดปับ๊บความดันกาขึ้นพุทพพึงเราเป็นกลุ่มไหน กุมพูดเพิ่มความดันหรือลดความดันกลุ่มพยาบาล น, นะน่าจะมีพวกนี้ให้มากๆากนะพวกเปรยวัชชาเนี่ยว่าจาร์เบนิรักษ์คนไข้มาหวัวความดันขึ้นมางทีไปวัดวัดความดันคนไข้เพราะว่าเสร็จยังไม่ด่าคนไข้อยาี<笑><笑> <N ee> ้เนี่ยเดี๋ยวก็เส้นเลือดในสมองแตกหรอกมีความดันขึ้นตั้งร้อยแปดสงนั้นนะไปพูดอย่างนั้นคนไข้จะช็อกเลย แล้พูดดีๆสิยังไงก็พูดให้ดีๆถ้าความดันเขา180จะพูดยังไงให้ความดันลดพูดยังไงอะพูดยังไงอ่ะพูดไม่เป็นเลยไม่ให้พาพูดให้ฟังเลยพี่จีพูดลดความดันพูดไม่เป็นเลยสามีกําลังโกรธอยู่เนี่ยพูดให้เขาหายโกรธได้ไหมเขากําลังเครียดเนี่ยเขากําลังวิตกกังวล เขากำลังกรุ่มเขากำลังทอ้เงทอเนี่ยพูดเนี่ยก็มีกำลังใจได้ไหมมีวาจาพูดอยกตัวยอย่างนะพญาช้างพระโพธิสัตว์กับนางช้างเนะี่ยเขาเป็นคู่บุญบา ร, รมีท่านเป็นคู่บุญบา ร, รมีมีอยวันหนึ่งใช่ั้ยพญาช้างลงไปในในสรกพอลงไปในวันนั้นไปเกิดเจอทรายที่ดูดยิ่งดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นก็จมจมจม หมดแรงพยาช้างหมดแรงแล้วใจถอดแล้วตายแน่งานเนี่ยเออแต่เนี่ยช้างคู่บุญที่เป็นเป็นภรยาเข้าใจพูดพอพอถึงเวล า, านั้นใช้งวงใช้งวงเป็นรูปสรีละอยู่ข้างบนในลูกแล้วก็พูดปอบโยนพูดบอกว่าเชื่อมั่นในกำลังของพระโพธิสัตว์ เชื่อมั่นในจิตใจที่แรง็งที่เข้มแข็งเชื่อมั่นในพลังที่มีอยู่เชื่อมั่นในความฉลาดว่าแค่ทรายที่ดูดแค่เนี้ยไม่สามารถที่จะเป็นปัญหาและอุปสรรคขัดขวางทำให้ออกจากหล่มและโคลนตบไี้ได้ฉันมีความมั่นใจในท่านพญาช้างกทิ i สัตมากมีกําลังใจไหม ถ้าไปเห็นสามีทาธุรกิจทำอะไรก็แล้วแต่เขากำลังท้อแล้วผิดหวงังเขาไปไปทำอะไรขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> บอกไม่ให้ทำไม่ให้ทำ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยจะพากันตายทั้งบ้านแล้วพูดอย่างนี้เ้าหมดแรงไหมเราเป็นคนชอบพูดแบบนี้ไหมเห็นไหมเนี่ยพูดอย่างนี้อูพญาช้างมีสติระลึกรวบรวมพละกกำลังทั้งหมดนึกถึงบารมีนึกถึงอะไรทั้งหมด ใช้พลังเต็มที่สุดกําลังเลยขึ้นได้เห็นไหมเห็นไม่วาจานี่ไม่ธรรมดานั้นวาจาอันเป็นที่รักที่ดูดดื่มน้ําใจซาบซึ้งใจเนะี่ยกล่าวคําพูดแล้วรู้สึกมีกําลังใจใช่ไหมนั้นคนที่เจ็บป่วยคนที่ก็เป็นไข้คนที่เป็นอะไรบุลาพูดแล้วเขาเขาได้กําลังใจเขาอยากเขาคิดเขาเห็นทางออกเห็นทางรอดเลยเหมือนกันคนที่ มีคำพูดที่ดีความปรารถนาดีทั้งหลายแล้วก็พูดจาเป็นคนอยู่ใกล้ก็มีคำเหล่าเราเป็นกันอย่างนั้นบ้างหมนอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมนะเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกปฏิบัติธรรมไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมแล้วพูดจาไม่ได้เรื่องใดเาเลาไม่ใช่อย่างั้นพอเกิดเขาเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วบอกัวปวดหัวจังปวดหัวก็ไปหายากินนีม่มาบ่นทำอะไร เคยไหมเคยพูดแบบนี้ไหมอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกปียวาจาใช่ไหมส่วนอัธยาจริยาการประพฤติประโยชน์ก็ขนขวายกิจการบําเพ็ญประโยชน์ช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมทั้งทางรูปรธรรมและนามธรรมโดยเฉพาะจริยธรรมทั้งหลายนี่เป็นต้นธมานาตตาก็ความมีตนเสมอเสมอต้นเสมอปลายดังที่ได้บอกนั่นแหละเอ๊ะแปลกนะคําว่าสมานะ คำว่าสมานีก็มาแปลเป็นไทยก็แปลว่าเสมอเสมอทางโลกก็แปลว่าเท่าๆกันแต่ถ้าเสมอทางธรรมะนี่ก็แปลว่าอะไรเสมอในสุขหรือร่วมสุขร่วมทุกข์ถ้ามีสุขก็ร่วมสุขถ้ามีทุกข์ก็ร่วมกันแก้ไขเนี่ยเขาเรียกว่าสมานนะใช่ไหมถ้ามีสุขร่วมสุขมีทุกข์กต่างคนต่างไปนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไมีสมานนะเขาจ ย, ยัง มันไม่เสมอกันไ ม, ไม่ไม่วางตนให้เหมาะสมเนี่ยไอการสมานา ต, ต า, ตาข้อนี้ยแ ป, แปลว่าอย่างนี้ก็เรียกเสมอต้นเสมอเสมอในสุขสม่มําเสมอมันคําศัพท์ บ, บาลีคําว่าสมานะเขาเรียกสมานสมานะก็คือเสมอภาษาไทยก็คือเสมอเนี่ยเหมือนคําว่าสมานะามานฉันเนี่ยที่ชอบเอามาพูดกันจังเลยใช่ไหมศัพท์เนี่ ย, ย, ยก็หมายความว่ามีฉันท่าเสมอกัน ก็คือว่าเสมอในสุขในทุกข์ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขแล้วก็ตลอดถึงการวางตนที่เหมาะสมในภาวะในบุคคลในเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณีในแต่ละกรณีกรณีก็วางตนเหมาะนะอยู่ต่อหน้าสามีวางตนเหมาะในฐานะเป็นภรรยาอยู่ต่อหน้าภรรยาก็วางตนเหมาะในฐานะเป็นสามีอยู่ต่อหน้าลูกก็วางตนเหมาะในฐานะเป็นแม่ อยู่ตหน้าแม่ก็วางตนเหมาะในฐานะเป็นลูกอยู่ต่อหน้าเพื่อนก็วางตนเหมาะสมในฐานะเป็นเพื่อนอยู่ต่อหน้าเป็นเจ้านายก็วางตนเหมาะในฐานะอยู่กับลูกน้องอยู่กับเจ้านายเ้มันวางตนเหมาะอยู่ต่อหน้าพระก็วางตนเหมาะสมกับการอยู่ต่อหน้าพระปฏิบัติได้ได้ถูกต้องดีครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่เขาเรียกว่าอะไรสัมมาตาตายากไหมวางตนเหมาะสม ไอ้คว่าแต่ละ ก, กรณีเนี่ยมันยากตรงนี้ใช่ไหมบางคนไม่เหมาะเลยนะบางคนวางตนไม่เหมาะนะในแต่ละ ก, กรณีเช่นเช่นบางคนก็ทำตนเองไม่เหมาะเช่นคนเขากำลังเครียดเราก็ไปสนุกสนานล่าเลือเหมาะไหมมันไม่เหมาะเขาสามีเหนื่อยทุกข์ท้อตนเองก็เลยการวางตนไม่เหมาะอีก ไปถลึงตามองเขาบ้างไปทําอาการกิริยาใช้คําพูดไม่เหมาะบางทีเขาต้องเขาต้องการคาพูดที่ที่ให้เกิดความเชื่อมัน่นแต่แล้วก็ไปพูดทําลายความเชื่อมัน่นไปอย่างนี้เขาจะวางตนไม่เหมาะเขาต้องการความเกล้ากล้าอาจหานก็ไปทําลายความเพียรเขาเขาต้องการมีสติกับพูดให้เขาเลอะเลือนให้เขาหลงลืนเขาต้องการมีสมาธิแล้วไปพูดให้เขาฟุ้งซ่านเลยนี่ เขาอยากได้ข้อมูลความรู้แล้วก็ไปพูดปิดกั้นข้อมูลความรู้ซะอีกมองเห็นไหมยังนี่เขาเรียกไม่มีอะไรไม่มีสมานาต า, ตามันยากไหมยากมหมยากเอาอย่างสถ า, านที่ตรงนี้ถ้ามีสมานาตามาแล้วต้องมาทำอะไรกันมาทำอะไรกันเขามาฟาังถามยังไงแต่มาหลับเนี่ย เขาเรียกไม่มีอะไรไม่มีสมานาตาตาไม่ใช่มานั่งหลับพระก็ไม่กล้าบอกความจริงตรงนี้คุณไม่มีสมานาตาต <laughs> าคุณคนไม่คุณไม่ปฏิบัติธรรมเลใช่ไหมล่ะแล้วพระก็จะพูดแล้วยอว้อนก็แย่งกันพูดองี้มีสมานาตาตาไหมก็วางตนไม่เหมาะสมในแต่ละกรณีใช่ไหมแย่งพูดกันหมดได้ยุ่งเลยตรเนี้ย พระก็ไม่มีมาสมานหน้ตามานั่งเฉยเขาให้มาพูดให้มาบอกมาชี้แจงก็ไม่ไม่ชี้แจงพระก็เลยไม่มีสมานหน้ตาเป็นอย่างนี้เข้าใจยังเลยเนี่ยยากไหมสมานหน้ตาเนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันบอกไปแล้วทําไม่เป็นกันนี่แหละถ้าคนมีสมานหน้ตาเนี่ยอยู่กับลูกก็วางตนได้หมดใช่ไหมรู้สึกคุยกับลูกอะไรต่างๆเนี่ยลูกไม่เครียดไม่วิตกกังวลลูกมีความสุข แฮปปี้มากถ้าไม่มีสมานาตตาขัดเครือง <c oughs> อยู่แต่หน้าแม่อึดอัดมากไม่รู้เป็นยังไงทุกคนไม่มีสมานาตตาเนี่ยไปอยู่ด้วยอึดอัดหมดเลย <c oughs> เคยเป็นไหมบางทีเราก็หาคําตอบไปทําไมจะอยู่กับคนนี้มันอึดอัดไปหมดเลยเลยแต่ที่ไหนแต่เขาก็ไม่มีสมานาตตาเราก็ไม่มีสมานาตตาวางตนไม่เหมาะสมในแต่ละกรณีแต่ละกรณีเข้าใจอย่างนี่เป็นแบบนี้ย่อมใครเป็นคนมีสมานาตตา ที่ใช้สมาณตาตาที่ชำนาญที่สุดยกมือทีเก่งมากเลยอ่ะ ต, ตอนนี้ใครยังทำงานเป็นพยาบาลอยู่ไหมมีไห ม, มเออต่อไปลองไปทำสมาณตาตาให้เหมาะสมไปอยู่ตอนหน้าพาอออโอ้โหมีสมาณตาตาไปอยู่ตอนหน้าคนไข้ทำยังไงมีสมาณตาตาคือคนไข้เห็นแล้วก็ชื่นใจตนันดีมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วนี่คนละเรื่องกัน เสียงเสียงเดินเท้าหนักๆแล้วบ่นดังๆมานี่มาให้แล้วคนนี้มาห้แล้ว <laughs> นี่สมานัตตาเข้าใจแล้วในตนี้ไปฝึกปฏิบัติให้ได้จริงในชีวิตจริงๆแล้วเราจะได้ความสุขทุกขั้นตอนคนที่มีสมานัตตานี่จะมีความสุขทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยจะเข้าถึงธรรมะได้ทุกขั้นตอนเพราะมีสมานัตตาในแต่ละกรณีแลวก็ แต่ละเหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆแม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอา้าวถ้าหากว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมอากาศมันร้อนถ้ามีสมาณตตาวางท่าทีเป็นไหมวางท่าทีทางใจเป็นปฏิบัติต่ออากาศร้อนเป็นอากาศหนาวก็วางท่าทีทางใจต่ออากาศหนาวเป็นฝนตกก็วางท่าทีเป็นโอ้มันเป็นทุกเรื่องเลยเพราะมีสมาณตตาอะไรอย่า ง, า ง, างมีสมาณตตา นี่เป็นอย่างนี้เลยนั้นถึงคนที่คนยิ่งมีปัญญามากเท่าไหร่มีความรอบรู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญามากเท่าไหร่ก็สามารถปฏิบัติในสมาณตาตาได้มากเท่านั้นก็เป็นการปฏิบัติที่เหมเาะสมราบะนมือขึ้นสวดพุทธคุณธรรมคุณพร้อมกัน มิติปิโสภาคาวาอาราหัง